มาศึกษาให้พากันตั้งใจจริงๆสมกับมาศึกษาขอวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ได้พาดำเนินมาอย่างไรให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติต่อไปเมื่อพัดปรากจากครูจากอาจารย์ไปแล้ว มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเครื่องอาศัยอย่างให้ล่มเหลวไปเสียหมดและทั้งๆที่ครูบาอาจารย์ยังมียึดอยู่ได้ศึกษาอยู่ก็ล่มเหลวไปถ้าครูบาอาจารย์พ ร, รากจากไปแล้วก็ยิ่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผลที่จะพึงหวังก็ไม่มีแล้วเพราะ ปฏิปทาเรื่อํำเนินนี้คือทางเดินเข้าสู่อัดสู่ธรรมทั้งนั้นตั้งแ่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมนั่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั่นผู้ที่ยึดได้เป็นหลักเป็นเกนก็มีเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้นอยากจะพูดว่าล้มเหลวไปล้มเหลวไปประหนึ่งว่าไม่ได้เคยศึกษาบมอยู่กับท่านเลยนี่มันเป็นไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้การปฏิบัติถ้าไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเพื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวก่อแล้วยังลำพังความอยากเฉยๆนั้นไม่มีความหมายอันใดเลย ไม่สําเร็จประโยชน์ปฏิปทาเครื่องดําเนินนั่นนะเป็นสิ่งสําคัญมากที่ครูอาจารย์พาดําเนินมาเพราะท่านเองก็เห็นผลประจักษ์มาแล้วจากพระโอวาทคําสั่งสอนที่ทรงพาดําเนินมาพวกเราที่ไม่สามารถจะดําเนินโดยลําพังก็ได้อาศัยครูอาจารย์เป็นเครื่องยึด าะเรื่องของทำไม่เหมือนทั่วไปเป็นเรื่องที่ละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียวการเรียนการจดจาตามคำพีบาลานนั่นเป็นคำบอกเล่าสำหรับผู้เรียนก็กลายเป็นคาบอกเล่าไปไม่ถึงใจเหมือนเราปฏิบัติและรู้เห็นขึ้นมาภายในจิตใจของเราเองนี่ไม่ใช่ภาคจดจา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 นี่คือธรรมสมบัติของท่านโดยทรงแล้วเรื่องต้นก็อาศัยการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์พอเป็นแนวทางซะก่อนแม้จะเป็นภาคจดจำข้อนี้ไม่พ้นเพราะเป็นความจำเป็นในภาคนี้ที่เพราะเรายังไม่สามารถจะดําเนินจนเห็นผลขึ้นมาเป็นสมบัติของเราได้ในขั้นเริ่มแรก จึงต้องอาศัยครัวอาศัยอาจารย์อาศัยตำหลับตำลาเป็นเครื่องยึดเน้ดำเนินตามนั้นคำว่าธรรมถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก่อนก็ไม่ทราบหมายความลึกตื้นหยาบละเอียดทั้งของธรรมและของกิเลสทั้งหลายต่อเมื่อได้ดำเนินด้วย เราเองนั่นแหละถึงจะทราบได้ว่าเป็นความลึกตื้นหนาะบางขนาดไหนต้องได้ต่อสู้กาจัดกันด้วยวิธีการต่างๆไปโดยลำดับนั่นแหละเราถึงจะทราบได้ในเรื่องกิเลสและธรรมว่าเป็นความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างลำพังความจำของเรานี้ ว่ากิเลสมันก็เป็นประเภทหนึ่งว่าทำอย่างนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งในความรู้สึกของเราเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้คร่าครากันเลยเป็นเประหนึ่งว่าอยู่คนละผนั่งผนัอยู่คนละแห่งละหนนถ้าจะแก้กิเลสก็ไปแก้จุดนั้นถ้าย้องการทำก็มายึดจุดนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นการเรียนมาฟังแต่เรา พูดขึ้นก็พากันเข้าใจดีแล้วไม่ใช่หรือว่ากิเลสนั่นเหมือนอย่างว่ากิเลสนี้เป็นกองพเพลินทวนทึบอยู่แห่งหนึ่งคําว่าทำก็อีกเหมือนกันเหมือนว่ากองแห่งทำอยู่กองหนึ่งกองกิเลสอยู่กองหนึ่งหยิบได้ง่ายได้ฆ่าได้สะดวกสบายทำก็ยึดได้อย่างสะดวกสบายอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามคําพูดที่เราสําคัญมั่นหมายแล้วจะเป็นอย่างนั้น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 ความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นกิเลสทั้งๆที่มันมันเป็นกิเลสร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นแหละแต่เราก็ไม่ไม่ทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสอย่างนี้แหละมันลําบากอย่างนี้นี่คําว่าความสงบเราเห็นถ้าเพียงตําลับตําลาและจากครูอาจารย์ที่สอนไว้เท่านั้น ท, ท, ทั้งๆติดใจของเราไม่ได้สงบเราก็ไม่ทราบว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรทราบแต่ความฟุ้งซ่าน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 อันนี้ไม่ต้องถามกันเพราะจิตมันหาความสงบไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอในความทุ่งซ่ารลาคาญเพราะกิเลสไม่เคยมีเมืองพอที่จะทําเราให้ได้พักผ่อนสบายสบา ย, บายหรือว่าพักเครื่องเหมือนรถเหมือนดาแต่กิเลสหมุนไปโดยลําดับจา دان ในตามหลักธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นั้นจิตจะหาความสงบบุ่นวาได้อย่างไรนอกจากไปสุดขีด ไปเต็มที่เต็มแรนจนสิ้นความสามารถแล้วก็อยู่ชั่วระยะเท่านั้นแล้วก็หาอารมณ์ใหม่ขึ้นมายุ่งวุ่นวายอีกตลอดไปเช่นนี้คือสืบหน่อต่อเนื่องกันไปด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องหรือเป็นกลิ่นแขนงของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเลยจึงไม่พาทผู้ใดให้มีความสมบงบร่มเย็นเพราะการคิดมากแล้วนั่นนี่คำว่าความสงบ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 ความสงบใจความเมื่อสงบแล้วใจก็ย่อมสบายผิดกับความวุ่นวายมากน้อยเพียงไรยิ่งเพิ่มทุกข์ให้มากน้อยเพียนั้นเป็นในไหน <c oughs> นี่ละการปฏิบัติมันยากอย่างนี้แล้วที่นี่เราจะพยายามทาใจให้สงบท่านก็สอนวิธีการแห่งสมถะทำให้ <c oughs> เช่นใช้คําบริกรรมเป็นเครื่องกากับใจ ถ้าใจไม่มีเครื่องกํากับใจไม่มีเครื่องยึดแล้วจะไปยึดสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟอันเป็นเรื่องของกิเลสดังที่เคยเป็นมาไม่หยุดไม่ถอยอีกแล้วแล้จะก่อเรื่องราวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจึงต้องให้ใช้คําบริกรรมให้จิตยึดอยู่ในจุดนั้นเพราะจิตทํางานหน้าที่เดียวในขณะที่ทํางานกับอะไรอยู่ย่อมเป็นการทํางานกับสิ่ง น, นั้น เมื่อปล่อยสิ่งนั้นแล้วจึงจะประยุทธ์ที่อื่นทำงานกับสิ่งอื่นในขณะที่กาหนดภาวนาหรือบริกรรมในธรรมบทใดยอยู่ด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตใจไว้กับงานนั้นๆเมื่อสืบต่อกันอยู่โดยลาดับลำดายก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความรู้ก็จะค่อยเด่นขึ้นกับคาบริกรรมนั้น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 จิตก็ให้รู้อยู่กับความรู้อันนั้นมีสติคั้วภูมอยู่นั้นเมื่อไม่สะดวกที่จะบริกรรมเพราะเป็นความละเอียดพอๆกันกับใจในบรรดาคํา บ, บริกรรมที่เรานํามาบริกรรมนั้นเราก็ให้กําหนดความรู้นั้นไว้เสียเพราะเป็นที่ยึดที่เกาะได้แล้วในความรู้นั้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่ความรู้นี้สั้นไปหมด หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้จึงต้องอาศัยคำมือกรรมมาเป็นที่เกาะจนรวมตัวขึ้นเป็นความรู้เด่นชัดแล้วอยู่ในจุดนั้นเสียนี่ที่นี่เป็นเป็นสมถะแล้วเนี่ยเริ่มสงบเย็นเมื่อใจสงบใจย่อมเย็นคําว่าสงบนี้มีมีหลายลักษณะหรือมีหลายขั้นสงบอย่างละเอียดแนบแน่นจริงๆก็มีประหนึ่งว่าขาดหมด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 อะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์แต่แล้วกลับย้อนตัวเข้ามาสู่ความเป็นอันเดียวคือรู้เด่นชัดปราศจากสิ่งก่อกวรทั้งหลายไม่มีอะไรมาปรุงมาแต่งจิตใจเลยป้าหนึ่งว่าขาดสะบั้นไปหมดในขณะนั้นก็มีในวงสมาธิเท่านั้นนะไม่ใช่วงวิปัสสนาก็เป็นได้อย่างนี้ แต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายยาได้ยึดได้ออกถือเป็นอารมณ์จะเป็นการก่อควนในการงานของตนหากจะเป็นขึ้นด้วยวิธีการใดก็จะทราบจากผลของตนที่ปฏิบัติเองตามนิสัยนั่นแหละอันนี้เป็นนิสัยอันหนึ่งต่างหากที่กล่าว น, นี้เคยเป็นแมนะ้ผมเองก็เป็นมาแล้วจึงได้พูดอย่างเต็มปากปุ่นง่ายๆนะเคยเป็นแล้วประเหตุนี้แล้วก็ตื่นเต้น ดีอกดีใจพ่อไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาพูดง่ายๆเวลารวมเข้าไปรวมเข้าไปสงบเข้าไปสงบไปสงบเข้าไปจนกระทั่งถึงขาดไปหมดจากสิ่งทั้งหลายเหลือแต่ความรู้ที่เหมือนกับว่าเป็นเกาะอยู่ในแม่ น, น้ํามหาสมุทรนั่นเหมือนเป็นเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะความรู้อันนั้นน่ะเป็นเกาะเด่นชัดอยู่นั่นไม่เกี่ยวเกาะกับอะไรเลยทีนี้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 อย่างนี้ก็มีแต่ผู้ปฏิบัติยาได้ยึดเป็นอารมณ์ให้ถือเป็นนิสัยของตนหากจะเป็นเช่นนั้นก็ให้เป็นขึ้นมาเองยาคาดยาหมายไม่ใช่ความจริงการคาดหมายเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ใช่ความจริงความจริงต้องเป็นขึ้นดังที่กล่าวนี้โดยไม่คิดไม่คาดไม่หมายหากเป็นขึ้นด้วยผลของการบำเพ็ญของเราพอที่จะให้เป็นถึงขั้นนั้นก็เป็นขึ้นมาเองนี่ประเภทหนึ่งแต่ส่วนมากมักจะสงบ เย็นเข้าไปอยู่โดยลําพังตัวเองนี่อันหนึ่งอันหนึ่งแม้สงบเข้าไปแล้วยังมีลักษณะคิดคิดปรุงปุ ง, ปงอันละเอียดยิบยบแย บ, ยบเหมือนแสงอะไรหิ่งห้อยหิ่ง้อยอะไรเหล่านี้แหละยิบยิบแยบแยบอยู่ภายในอันนั้นก็ตามเราไม่ต้องแสดงความลาคาญไม่แสดงไม่ต้องแสดงความแปลกใจมันเป็นส่วนละเอียดของสังขารที่มันเคยคิดเกิดปรุงในจิตประเภทนี้ในนิสัยของจิตประเภทนี้มันมีได้อย่างนั้น ก็ให้ปล่อยให้มันมีแต่เรารู้รู้อยู่รักษาอยู่มันก็ไม่แสดงอาการอะไรให้หยาบให้เป็นสังขารทั่วไปดังที่เคยเป็นมาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นนี่ประเภทหนึ่งนี่เราพูดถึงเรื่องความฟุ้งซ่านกับความสงบต้องได้ใช้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้อันถึงแยกกันได้ว่าความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ความสงบเป็นอย่างนี้การกล่าวทั้ง น, นี้กล่าวถึงเรื่องการแยกความพุ่งสัน้นความสงบให้เห็นเด่นชัดทั้งสองอย่างคือความพุ่งสั้นนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติกับมันอย่างไรมันก็เป็นไปได้ตามอำนาจแห่งสิ่งที่พายพุ่งสัน้นเพราะมันคล่องตัวพอพอแล้ว แต่ส่วนการที่จะทำจิตใจให้สงบเยน็นนี้ต้องได้มีวิธีการกำชับกำชาบังคับบัญชาหนานแน่นจริงๆถึงจะเข้าสู่ความสงบได้เพียงใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ว่าอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนี้นี่ในใจดวงเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> เมื่อใจสงบ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 หรือเป็นต้นทุนเราได้เพิ่มกำลังจิตใจและศรัทธาความเชื่อในความเป็นของตนเองขึ้นโดยลำดับนี่แหละเรื่องของธรรมเป็นเรื่องละเอียดมากกับกิ เ, เนี่ยแยกไม่ออกแยกยากที่สุดเพราะไม่ใช่จะเป็นกองสมบัติหรือกองนั้นกองนี้อยู่คนละแห่งละหนแต่มันเคราะกันไปหมด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 ก็เพราะอาศัยความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาจนกลายเป็นสมาธิได้นี่แหละความละเอียดของจิตเป็นอย่างนี้นี่เราพอทราบได้จากภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วยังไรก็ทราบไม่ได้ในธรรมที่กล่าวนี้คือสมรรถสือสมถธรรมได้แต่ความจำเต็มหัวใจ นิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ถลอกปอกเปิบออกได้เลยแหละแล้วก็แยกกันไม่ได้จกนกระทั่งเราตายไปเปล่าๆกิเลสกับธรรมก็ค้าคราวกันอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติว่าปริยัติคือการสําเนี๊ยบศึกษาจะด้วยวิธีการใดก็ตามการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ก็ตามเรียกว่าเป็นภาคศึกษา แล้วก็ปฏิบัติได้แก่การดําเนินดังที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติคือรักษาจิตใจด้วยคำบริกรรมภาวนาหรือด้วยวิธีการใดก็ตามเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่เป็นลําดับลาดาไปถ้าไม่ได้ใช้ทางภาคปฏิบัติเลยอย่างไรเราก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลของอัดของทำและของกิเลสทั้งหลาย ซึ่งเต็มจะได้หัวใจของเราจะได้แต่ชื่อแต่เสียงของอัดของธรำของบาปของบุญของนรกสวรรค์เท่านั้นอันความจริงของบาปของบุญของนรกสวรรค์ความสิ้นกิเลสอาศวะจะไม่ปรากฏเลยจนกระทั่งวันตายแต่เมื่อได้ปฏิบัติดังที่กล่ามานี้มีทางที่จะทราบได้เป็นลําดับลําดาไปเยึะ ลึกตื้นอย่างละเอียดตามกำลังแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติอย่างไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบได้เป็นลนำดนับต่งนี้แหละถ้าภาคปฏิบัติจริงเป็นของสำคัญมากทีเดียวที่จะแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งอยู่ในภายในจิตใจของเราดวงเดียวกันให้ได้เห็นชัดแจ้งภายในจิตเราว่านี่คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือธรรม ผลของการแสดงออกก็คือความสงบกับความพุ่งสั้นและความทุกข์ความทรมานใจเพราะขี้เหร่มันดักสันดาลผู้ง่ายๆแล้วความสงบเย็นก็เพราะอำนาจแห่งธรรมผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นจากผู้ปฏิบัตินี่เห็นไดาา้ชัดๆอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เองเห็นเองไม่สงสัยเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วทําไมจะพูดมาได้คนเราเนาะ ต้องพูดได้ตามความรู้ความเห็นความเป็นลึกตื้นอย่าเอียดของธรรมของกิเลสได้พูดได้ทั้งนั้นขอให้เจอให้ได้พบได้เห็นให้ได้ละได้ถอนเถิดด้วยการปฏิบัตินี้เถิดอย่างไรก็พูดได้เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ภายใน จ, ใจิตใจดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ท่านเป็นภาคปฏิบัติคือท่านดําเนิน ด้วยการปฏิบัติยิงละกิเลสทั้งหลายได้เป็นลําดับจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตต์หลุดพ้นออกจากภาคปฏิบัตินี้ไปไม่ได้ภาคปติบัติจริงเป็นของสําคัญคําว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมได้จากความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นรู้แจ้งไปโดยลําดับลำดาตั้งแต่ภาคปฏิบัติเบื้องต้นนี่แหละเคล็ดคือรู้แจ้งในสมาธิสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของ แล้ดำดับไปมีความละเอียดอออย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของนั่นพูดถึงเรื่องขั้นปัญญาก็เหมือนกันตั้งแต่ปัญญาขั้นล้มลุกคุกครานขั้นไม่อยากทํางานขั้นทะเลทลายนี่ปัญญาประเภทแรกเป็นอย่างนั้นนะมักจะทะเลทลัยแล้วกลับเข้ามาสู่ความสงบเสียถ้าเรามีความสงบเป็นพื้นฐานถ้ามันมีความสงบ ใจไม่มีพื้นฐานใงสมาธิเลยใช้ปัญญาไปก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านรำคาญไปเสียเกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่มีปัญไม่เป็นปัญญาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเสียด้วยมากมทีนี้เมื่อสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้พินิพิจารณาขั้นปัญญาแม้จะถะเละทะลายบ้างก็จะย้อนเข้ามาสู่ความสงบไม่อยากออกคิดพินิพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นการลำบากลำบนวุ่นวาย เพมีการต่อสู้มีการแยกการแยะทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเย็นไม่ต้องทําอะไรมีแต่ความรู้ที่เด่นดูภายในจิตนี้เท่านั้นก็พอแล้วเย็นอยู่นี้สมายอยู่นี้เลยกลายเป็นจิตที่เกียจขี้ค้านไปเสียในปัญญาขั้นนี้มักเป็นเช่นนั้นนะจำให้ดี <c oughs> ทีนี้เมื่อได้อาศัยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆ สอดเข้าตรงนั้นแทรกเข้าตรงนี้แยกนั้นแยกนี้เพราะจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิเป็นจิตที่อิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายโดยถืออารมณ์แห่งธรรมคือความสงบเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่อยากยุ่งเหยิงบุนบายกับอารมณ์ใดๆภายนอกแต่มักจะขี้เกียจอยากจะอยู่กับอนันเสียนี่เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องได้แยกและพาทาพํางานพูดยังไงบังคับให้ทําเพราะ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 นี่เรื่องของปัญญาก็เป็นเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกมีร่มมื อ, อกุคาเราก็เห็นได้ชัดภายในใจของเราเองเนี่ยภาคปฏิบัติเห็นได้ชัดๆัไปตลอดเวลาเนี่ยไม่สงสัยเป็นไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นที่เกิดความสนใจเห็นผลประจักษ์เชื่อมั่นในความสามารถของตนไปโดยลําดับแล้วนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะเริ่มไหวตัวเป็นลําดับลําดา เราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาเริ่มไว้ตัวแล้วก็ได้ไม่ผิดเพราะจากนี้ไปจะเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่สงสัย mm. นี่เรื่องของปัญญาอย่างนี้เราก็ทราบ mm. ทั้งทั้งกิ่ต่กรเราได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ตำหลับตําลาว่าสมาธิเป็นเช่นนั้นปัญญาเป็นเช่นนี้หรือสุตมยปัญญาเป็นอย่างนั้น อ, อินตามยปัญญาเป็นอย่างนั้นภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นแต่แล้ว ปัญญาทั้งสประเภทนี้รวมตัวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาอย่างเดียวเราก็เห็นได้ชัดนั่นนี่แหละภาคปฏิบัติเห็นได้ชัดชัดโดยไม่ต้องสงสัยเนื้อจากนั้นก็เหมือนกับว่าเรามีต้นทุนแล้วถ้าเป็นทางเดินก็ถูกทางแล้วมีแต่จะก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่มีทางปลีกทางแวะมีแต่ทางที่จะทําเราให้หลุดพ้นสังหารกิเลสไปโดยลําดับลำดับ ด, ด้วยสติด้วยปัญญามีสมาธิเป็นเครื่องหนุน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 ผู้ปฏิบัติจะไม่เห็นชัดได้อย่างไรก็สันทิติโกท่านว่าปริยัตยิก็ศึกษามาแนวทางเป็นยังไงแล้วปฏิบัติก็ก้าวเดินตามแนวทางนั่นเมื่อก้าวเดินไปแล้วทาไมจะไม่เห็นสิ่งที่จะสัมผัสสัมพัน์ในเวลาเราเดินทางละ่ะเช่นอย่างเราเดินไปที่ไหนสิ่งต่างๆที่อยู่สองภาคทางจะปิดเราได้หรือที่จะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการอัดรรทำกิเลส ที่แทรกซ้อนกันอยู่ในะระหว่างเราดําเนินเราก็เห็นไปรู้ไปละกันไปแก้กันไปถอนกันไปฆ่ากันไปเรื่อยเรื่อยๆนี่เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งถึง ป, ปัญญาที่ว่าเป็นธรรมจักนี่ก็รู้ได้ชัดเราจะไปหาตามตำรับลามาเราจะได้แต่ชื่อเท่านั้นนะท่านจะไม่อธิบายแยกแยะไว้อย่างละเอียดละออเหมือนความเป็นอยู่ความเป็นขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย อันนั้นพนานาไม่ได้เลยพิสดารมากจริงๆไม่ได้เหมือนปริยัติที่ท่านแสดงไว้ถ้าหากว่าจะพูดทมก็เรียกว่าทมทั้งดุน่นเอาไว้แค่นั้นให้ผู้ปฏิบัตินำอัรทำนี้ไปแยกแยะ ไ, ไ, ไปกระจายออกเองแล้วจะได้รับความเข้าเข้าใจพร้อมกับการสังหารจิเลศไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัยนี่ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่น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 เช่นดังว่านบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพานมีล้วก็เชื่อด้วยสัญญาดังที่ตามที่เราเรียนมาด้วยสัญญานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นต่อเมื่อเราได้ประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่วัดป่าบ้านตานเนี่ยที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็เชื่อด้วยสัญญาเสียก่อน วัดป่าบันตาดอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่มันก็ยังไม่ถึงใจจนกว่าว่าเราได้ก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตาดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดป่าบันตาดแล้วนั่นแหละถึงใจพูดได้ทั้งนั้นเลยนี่หายสงสัยหมดไม่มีเครือบแคลงใดๆทั้งสิน้นนี่ก็เหมือนกันภาคปฏิบัติเมื่อได้เห็นกิเลสก็ได้เห็นค่ากิเลสก็ได้ค่ า, าปัญญาประเภทใดที่ควรค่าจากกิเลสควรค่ากิเลสประเภทใดก็นำมาใช้ให้เห็นประจักษ์เห็นประจักษ์ ต่อกอนกับกิเดสหยุดทุกระยะระยะทําไมจะไม่ทราบทําไมจะไม่เห็นชัดไงแล้วจิตค่อยเปิดกว้างออกไปกว้างไปที่แรกก็เหมือนกับว่ามืดว่าบอดท่านเมื่อปัญญาได้กระจ่างจแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งออไปกิเลสซึ่งเป็นเหมือนแม่กำบังจิตใจค่อยๆเปิดออกไปเปิดออไปทําไมจะไม่เห็นสิ่งที่พระุทธเจ้าทรงกล่าวไว้กล่าวไว้วสดๆร้อนๆแท้ๆไม่ใช่กล่าวได้ตั้งกับตั้งการสิ่งนั้นร่วงโรยไปแล้วกล่าวด้วยหลักความจริงไม่มีการสถานที่เวล า, เ, วลาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะเป็นความจริง แม้จะปริาพาน์ไปกี่กับกี่ครั้งแล้วก็ตามความจริงนี้ก็เป็นความจริงเช่นนรกเช่นสวรรค์บาปปุลกิเลสตัณหาเป็นของจริงมีอยู่ตลอดไปในหวัวใจของสัตว์โลกไม่มีว่างเลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินี้เป็นของจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่าสมุทัยะอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงของมันอย่อยางนั้นถ้าไม่ชำระศาสตสางแล้วยังไงก็ไม่มีวันสิ้นออกไปได้นั่นฟังซิทุกข์ก็เหมือนกันถ้ายังตราบใดยังมีสมุทัยเป็นเป็น <c oughs> ตัวยืด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 ไม่ประจักษ์ละความสงสัยทั้งหลายจะสงสัยไปไหนเมื่อได้เห็นด้วยตาใจจริงๆแล้วรู้ด้วยใจจริงๆแล้วไม่มีสิ่งสงสั ย, ยกิเลสประเภทใดหมดไปหมดไปก็รู้ชัดๆรู้จชัดคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแจ้งเข้าไปโดยลําดับกําดาด้วยอํานาจแห่งปัญญาที่เบิกกว้างออกไปกว้างไปสังหารกิเลสไปโดยลําดับลำนาดกว้างออกไปปัญญา และสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่ควรเห็นก็เห็นในตำรับตำราเราเรียนมาไม่เคยปรากฏแต่ก็ปรากฏในความจริงนั้นพรากฏในความจริงนั้นจะว่าอย่างไงเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่างไงเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีได้อย่างไงก็ให้เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นของจริงเต็มส่วนทั้งทั้งที่ตะก่อนเรียนมามากขนาดไหนเอาจนสมองมันจะแเละเนี่ยความจดความจํามันก็ไม่เห็นแต่เวลาปฏิบัติลงไปแล้วมันเห็นจะว่าอย่างไงเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้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 ตาเราเวลาหลับมันก็ไม่เห็นแต่เวลาลืมมันยังลืมได้แต่ใจนั่นสิมันไม่มีเวลาลืมตัวสักทีมันไม่มีบวลาลืมลืมตาใจสักทีมิต่กิเลสปิดไว้ปิดไว้ตั้งกลับตั้งกันก็ปิดอยู่งั้นถ้าปัญญาไม่เปิดให้แล้วปัญญานี้เราจะไปหามาจากที่ไหนเอาปัญญาทางโลกเอาเรียนปลายเรียนไ ป, นปจกนกระทั่งถึงตายก็เป็นปัญญาที่กิเลสผิดให้มามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นเรื่องเกาะเป็นเรื่องสังสมกิเลสไม่ใช่เรื่องที่จะฆ่ากิเลส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 มาพระพุทธเจ้าก็กกราบอย่างสนิทจิดใจแต่เวลาจะเข้าสู่สงครามจริงๆเข้าขึ้นเวทีจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งดูถ้าหากว่าดูครูมวยก็ดูเฉยๆนักมวยเท่านั้นที่ต่อยกันนั่นเป็นยังไงหนักเบาแค่ไหนหลบดีปิดมาติดเท่าก็เป็นยังไงเป็นเรื่องของนักมวยที่ต่อสู้ต่อกอนกันเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเวลาเข้าต่อสู้กิเลสทั้งหลายเรื่องภาวนามญญปัญญานี้เท่านั้นเป็นเป็นเพลงมวยพูดยังไงเอาฟัดกันอยู่ตรงนั้น นี่แหะที่ว่าเป็นเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกอย่างที่ท่านว่าตุมเห่หิจังอาตะปังอาขาตาโรตถาคาตาความเพียรเป็นหน้าที่ของหลายทําเองหนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นนั่นแหะเป็นแต่ผู้บอกอุบายวิธีแต่เวลาเข้าตอบกลอนกันฟัดกันจริงๆเป็นเรื่องของนักมวยทั้งสองคนนั้นคือระหว่างกิเลสกับธรรมสู้กับได้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติถาไม่ปฏิบัติไม่รู้ทํำประเภทนี้เอาเถอะเรียนมาจบไหนก็จบสาธุไม่ได้ประม่านะจบพระไตรปิฎกก็ จ, ก จ, กกจบเถอะ ได้แต่ความจําเท่านั้นนะ่ะความจริงไม่ได้กิเลสไม่หลุดรอยไปเลยแต่ถ้าลงได้ปฏิบัติจนกล้าเข้าสู่ภาวนามนยปัญญานี่แล้วจะได้เห็นกิเลสพังลงไปพังลงไปโดยลําดับลาดาสิ่งไม่รู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นเห็นขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจทึงง่งแต่ทึ่งแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันว่ามันจะเห็นมันจะรู้มันจะละมันจะสังหารกันได้มันสังหารกันได้ต่อหน้าต่อตานี้ว่าไงนั่นธรรมุเจ้าไม่อาศจอะไรจะอาศยันในโลกนี้เอาเข้ามาปฏิบัติสิผมนะเราเป็นผู้นัปฏิบัติแท้ ให้ท่านพูดอยู่เฉยๆทำไมถ้ามันเห็นประจักษ์ในใจเจ้าของคิดทำมาวยเจ้าเป็นโมฆะจริงหรือในโลกกว่านี้สอนโลกมันถึงไม่ได้เรื่องได้วยเราก็เพราะโลกนั้ถูกกิเลสปิดบังปัดหมดปัดหมดเมื่อทำแทรกเข้ามาปัดออกปัดออกให้มีแต่กิเลสมันห่มห่อจิตใจอยู่มิดมืดแปดทิศ8ด้านอยู่เท่านั้นเองมันถึงไม่เห็นสิ่งที่เป็นของมีอยู่ทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์นิพพานทั้งกิเลสทั้งธรรม มีอยู่ในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้จะเป็นผู้รู้เห็นมันก็รู้เห็นไม่ได้เพราะถูกปิดบงังเอาให้มันถึงเหตุถึงผลสิมันต้องรู้ทำไมจะไม่รู้วะออืนี่เระพูดถึงเรื่องเรื่องสิ่งที่ที่เป็นที่รู้มาปิดไม่อยู่คือหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเนี่ยเอาปฏิบัติลงไปสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็นสิ่งที่ว่าไม่เราจะท่านมาอาศัศจรรย์อาจรรย์อศัศจรรย์ยังไงบุรุเจ้าอาศัศจรรย์ท่านสิ้นจีเลท่านสิ้นยังไงมันมาเห็นในหัวใจเจ้าของสิ่งจีเลตงไง มันก็สงสัยหายสงสัยเท่านั้นสิมันจะเอาอะไรมาสงสัยกลาภุริเจ้าอย่างราบเลยนันเมื่อถึงเข้าเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วนั่นละ่ะผู้ปฏิบัติท่านว่าตุมเฮจะจิจังอาตะปังอาตปั ง, ปงคือเจ้าของต้องทําเองต้องรู้เองเห็นเองฟัดเบี่ยงกันเองกับกิเลสไม่มีใครจะมาฟัดมาเบี่ยงมาต่อสู้ให้ให้เราเราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้หลบหลีกปิดหมัดปิดของกิเลสประเภทต่างๆเราจะรู้เองเหล่านี้เราเราจะหากคมพีที่ไหน เอาม า, มาแจงซะทุกแง่ทุกมุมในระหว่างที่ต่อสู้กับขีเหล็กนั่นคำพีที่ไหนจะไปจดจําทันละ่ะแต่ความจริงนั้นทันกันทั้งนั้นนะความจริงที่ฟัดกันอยู่นันทันกันหมดทุกอย่างไม่ทันกิเหล็กไม่พังนั่นเห็นไหมนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้จึงว่าพิศดารเอามากมายที่สุดเลยในหัวใจดวงนี้แหะจึงว่าใจนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะพิสดารเอามากจริงๆไม่มีอะไรเหมือน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 ให้เต็มที่ของตนเองแล้วไม่มีการสถานที่ว่าใกล้ว่าไกลว่าอยู่ที่ลึกลับที่ตรงไหนใจจะไม่เห็นใจจะไม่รู้รู้หมดทีเดียวทุ่งลงไปเธอรู้ไปหมดนี่จึงมาใจเป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นครัปฏิบัติถ้ามันเห็นที่ธรรมะบุญเจ้าหลอกโลกเมื่อไหร่มีแตะกีเล่ห์เท่านั้นมันหลอกโลกนะ่ะธรรมะไม่ได้หลอกหรอกแต่เราปฏิบัติแต่เครื่องตามเครื่องหลอกเครื่องหลอกกงนี้มันจึงไม่รู้ไม่เห็นนี่ใช่ว่าไงปฏิบัติจะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไร ปฏิบัติเครื่องมืองนักบุบาอาจารย์และพระพุทธเจ้ที่ประธานวันนี้มีแต่ปฏิบัติที่จะบุกเบิอกิเลสฟัดกิเลสถ้มันแหลกไปให้เห็นความจริงล้นล้วนเต็มหัวใจเราทั้งนั้นแหละแต่นี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นใชพอที่จะทําอะไรนี่ถูกกิเลสมันขัดมันแยง้งมาเช่เลยสุดท้ายเราก็มอบสุดท้ายก็มอบนั้นจึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถ้าลงได้ทําให้มันถึงได้เรื่องแล้วยังไงมันก็รอไม่ได้แล้วขั้นจิตทํางาน ขั้นสติปัญญาทํางานขั้นพูดงา่ายๆว่าขั้นทําทํางานกิเลสจะไม่หมอบได้ยังไงเมื่อถึงขั้นทำทั้งหลายมีกําลังแล้วก็เช่นเดียวกับกิเลสมันมีกําลังเราจะทําอะไรมันมันปัดแปบเดียวปรับเดียวปรับเดียวเยวท่านั้นลม้มละลายลม้มละลา ย, ลลา ย, ลลายเลีวไปหมดเลยนี่เวลามันมีกำลังมันเปลี่ยนเช่นนั้นทีนี้เวลาทำมีกำลังก็เหมือนกันอีกกรงกันเป่งหน่อยเดียวกิเลสมันมันแยบมาหมัดไหนถ้าพูดถึงหมัดแยบมาตีปัดมันแล้วต่อยพร้อมต่อยพร้อมต่อยพร้อมพังพร้อม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 พุทลงไปค้นลงไปจนกระทั่งเจอเจอภาพหมุนติ้วที่เสร็จเลยนั่นถ้าอันเราเหล่านี้ให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของสิถ้าลงได้เห็นในหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยแหละอืการพูดออกมานี่มันจะพูดได้เป็นบางอย่างส่วนพูดไม่ได้นั้นมันสําคัญมากที่สุดมีมากมายกายกองที่พูดไม่ได้ ท, ทั้งทั้งที่ตัวนั่นเองน่ะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันขนาดไหนเรื่องใดวิธีการใดเนี่ย มันเป็นอยู่ในหัวใจหมุนที่ดิวที่วไม่มีอะไรที่จะเสมอความรวดเร็วแต่เราก็ที่จะนํามาพูดนี้จะพูดได้เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้พูดมากได้มากยิ่งกว่านั้นไปนั่นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเอาคัมภีร์ไหนจะไปจดจารึกถึงประเภทนั้นได้วะถ้าแต่ความจริงของใจนี้ใจได้รู้ได้เห็นรู้หมดนีท่ทางท่านที่คมพีจดออกมาไม่ได้กพราตามแต่ใจนี้สามารถรู้ได้หมดทะลุไปหมดนี่มาสิพี่นาสินั่นแหะถึงว่า อ, อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทันว่า ทำที่ม า, มาในคำภีรไบาลานนั้นอ่ะเท่ากับน้ําในตุ่มน้ำไหลเท่านั้นสาธุทันที่เรายอมออเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็มันกล้าหาญที่จะพูดได้จริงแต่ธรรมที่มาจากภาคปฏิบัตินั้นเท่ากับน้ําท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนั่นฟังสิก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลานี่มันมีการสถานที่เวลาวลากว้างแคบพี่ไหนอิฐเมือ่อเวลาได้เบิกตัวออกไปแล้วมันกว้าง อะไรก็พูดไม่ถูกนะมันลึกอะไรก็พูดไม่ถูกไม่มีอะไรจะมาประมาณได้มหาสมุทรยังมีขอบมีเขตมีฝัง่งมีฟ้าฝั่งโน้นไม่มองเห็นฝั่งเราเหยียบอยู่นี่ยืนอยู่นี่มันยังเห็นมากไงอันเรื่องของสติปัญญานี้เอาอะไรมาเทียบ อ, อะไรมาเคียงเรื่องความลึกความตื้นความกว้างแคบหนาะบางขนาดไหนไม่มีอะไรที่จะเทียบมันปัญญาทำนี้ได้เลยหรือจิตดวงนี้ได้เลยนี่มันกว้างขนาดนั้นแล้วมันเห็นไปจากเจ้าของอะไริใครไม่เชื่อก็าตามเธอมันไม่มีได้ขาดทุนศูนดอกไปไหนล่ะ ขอจากของเลยส่งไว้กับพอ่อเมื่อมันสอนใครไม่ได้สอนใครไม่ไ ม, ไม่มีใครฟังแล้วยไม่สอนมันหนักอะไรกันผู้สอนจะสอนแต่ผู้ที่ควรจะสอ น, ผ, สอนผู้ที่ควรจะบึกบึนประฐนั้นผู้ไม่สมควรที่จะนั้นก็ปล่อยเหมือนอย่างอโรงพยาบาล น, นั้นทิหมอไม่ใช่ว่าที่จะสามารถรักษาคนไข้ได้ทุกประเภทนะประเภท ICU มันมีจะทํำยังไงมันเป็นอยู่กับใครมันเป็นอยู่กับ ICU ียูต่างหากนี่หมอก็ก็เห็นว่าเป็นไอซียแล้วจะวางไงก็ต้องหยุดชะงัก แต่มารยาทก็ต้องมีเป็นธรรมดารักษาปฏิบัติกันไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้าย น, นี่ทำก็เหมือนกันเมื่อสูดวิสัยที่จะปฏิบัติต่อกันแล้วจะทํำยังไงสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่มันไม่เชื่อจะให้ทําไงอีกจะให้มันเชื่อได้ยังไงเมื่อมันยังไม่ถึงการถึงเวลาที่ควรจะเชื่อได้มันไม่เชื่อได้หรอกคนเราไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันพอถึงขั้นที่ควรเชื่อแล้วยังไงหัว ข, ขาดมันก็ไม่ถอยอะไรอะไรขาดปรกาขาดไปความเชื่อนี้ไม่ขาดฝังเลยทีเดียว น, นั่นนี่แหละการปฏิบัติ เอามันจริงมันจังที่นะักปฏิบัติทั้งหลายมันเห็นในตัวเองนี่ถ้าลงได้เห็นในนี้นะมันหายสงสัยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องต้นในนี้มันตะเกียบตะการบปแล้วเมสแต่เรื่องของกิเลสมันยำเอายำเอายำเอาไปที่ไหนเห็นแต่เขียงของกิเลสยำหัวใจพระอืไม่ทราบว่าจะลาบจะก้อยจะอะไรต่ออะไ ร, ะะไรทุกอย่างมันก็เลยขี้เกียจกินขี้เกียจขี้ถ่ายกินแต่กินหนึงแต่หัวใจพระหัวใจพระหัวใจพระ ความขี้เกียจกับกิ้เล็ดคือโนเสียเนี่ยความขยันมั่นเพียรกับขี้เล็ดคือโนเสียเอาเป็นรากของกิเล็ดเสียจะว่าไงเอออะไรๆก็เป็นราบของกิ้เล็ดเสียขึ้นชื่อว่าจะสิ่งที่จะไปแก้กิ้เล็ดให้เล็เอาไปจิ้มน้ําพริกเสียจิ้มน้ําพริกเสียทําไงพวกเรามันพวกน้ําพริกให้ขีเล็ดจิ้มตลอดเวลาได้จิ้มกิเล็ดบ้างซิเอาเนาะขีเล็มาจิ้มน้ําพริกบ้างซิเป็นยังไงมันอร่อยไหม เออขีมขี้เล็เอากีเล็มาเป็นปุ๋ยคลองอัดคองทําเป็นยังไงพระนิพพานบกคลองอะไรบ้างเห็นไหมนั่นเมื่อเต็มที่แล้วไม่มีคําว่าบกคลองพอตัวตลอดเวลาพอดิพอดีไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรยดหย่อนยิ่งกว่านั้นทั้งนี้ว่าเมืองพอพอซะทุกอย่างจึงได้ปล่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นะพอแล้วจึงได้ปล่อยหมดไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับคําว่าพอจึงได้ปล่อยหมดอะไรยังบกคลองเอาอะไรมาเพิ่มนั่นไม่พออันนั้นไม่ประเสริฐนั่น นะมันยังมาเพิ่มเหมือนนั่นพอนี่คือความประเสริฐพอไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าคําว่าพอยึดดวงถึงขั้นเมืองพอแล้วเป็นอย่างนั้นอพอเหนื่อยแล้วอันนี้ก็พูดได้พอสมควรไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนโนพูดถึงกระดาษนี้ดีไม่ดีช็อกไปเลยจะว่าไงอันนี้มันยังพูดได้แต่คําว่าเหนื่อยมันมันก็นเหนื่อยทั่วๆไปแล้วก็เข้าไปหาจุดนั่น นิดหน่อยแล้วก็เลยรีบหยุดหรือเวลาได้เทียัก็นดเทีบมึงก็เราก็ร า, า, า, า, าเวลาจะไม่ว่างหรือทาดขันแม่เมื่อมันมีผมมันงานมากสวามากนะการรับแก่รับคนที่อ๋อจะรับตามเรื่องราวที่เข้ามาหาเนี่โยโตายจริงๆนะสู้ไม่ไหวจึงต้องได้รับบ้างไม่รับบ้างเพื่อเป็นการพักผ่อนไปในตัวทัดขันมันเหมือนทัขันทั่วไปมันปิดแปลกอะไรเมื่อมากไปมัน มันก็แสดงทุกขึ้นมาเนี่ยมากกว่านั้นเขาบีบเป็นยังไงใครก็ทราบดวดลายของสติปัญญานี่ถ้าเราถ้าว่าเป็นด้านวัตถุเหมือนผู้เหมือนคนมาแสดงนี่จะไม่มีอะไรเหมือนดวดลายของสติปัญญาค่ากิเลสนั่นเลยนะไม่มีด้วนลายใดในโลกนี้ถ้าจะเป็นของหน้าดูหน่าชมเป็นของอัศจรรย์เห็นแล้วอัศจรรย์นั่นแหะฟังเราดิ ถ้าหากว่าเป็นวัตถุเรานําออกมาจะให้แสดงเหมือนเขาแสดงลิเกละครนั่นนะจะไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญากอกสนามฆ่ากิเลสปุญ่าไงนี่ยถึงขั้นขั้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยแต่มันมันก็เป็นอยู่ในเจ้าของรู้อยําเฉพาะเจ้าของนั้นจามาวาดท่าออมาอย่างนี้มันก็วาดไม่ได้ เอาจออกมาสนามอย่างนี้ออกออกสนามก็ออกไม่ได้เอาขึ้นเวทีก็ขึ้นไม่ได้นันก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมเองนะอ๋ออ๋อทันทีเลยเมื่อเมื่อเขาสัมผัสเข้าไปแล้วจะจะยอมรับยอมรับทันทีอ๋ออ๋อเลยเจ้านั่นเป็นจริงจิงนี่ใครมาอุตตรีพูดเมื่อไหร่อย่างพระพุทธเจ้าท่าสอนได้ภาวนาเนี่ปัญญาณพระองค์อุตตรีเมื่อไหร่ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ทรงดำเนินด้วยวิธีการนี้มาแล้วจนเป็นที่พอพระไทยแล้วจึงนามาสอนโลกผิดไปไหนอุตตรีที่ไหนน่ะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะพิสูจน์ได้ในธรรมเหล่านี้นะปฏิบัติเท่านั้นแ่ะที่จะพิสูจน์ได้ท้าในปฏิบัติพิสูจน์ไม่ได้เพียงความจำก็ธรรมดานั่นแหละว่านิพานนิพานว่าจนปากฉี่ก็เป็นนิพานตั้งแต่ลมเท่านั้นแต่ตัวใจจริงก็กิเลสเต็มหัวใจมันเป็นนิพานได้ที่ไหนเอาภาพาปฏิบัติตับเข้าไปสิ ปฏิเวทะไม่รู้แจ้งในหัวใจจะรู้แจ้งอะไรนนะปฏิเวทะปฏิญาติปฏิบัติปฏิเวสหรือปฏิเวทะทำคือความรู้แจ้งการทะลุรู้ไปโดยลำดับแจ้งไปโดยลำดับแจ้งไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวล า, าสุดท้ายอันนี้ก็อากาศอบอ้าเหมือนกันนะน่านะ่ หน้าฝนตกเท่นั้นคืนึกก็หึ่มกร ม, มมาแล้ว ม, มันตกกทางไหนมันก็ไม่รู้ไม่แปลกอยู่ที่ฟ้ามันร้องอยู่ตลอดนี่ทําไมหน้ากลางกลางฝนกลางปีในหน้าฝนนั้นจราฟ้าไม่ค่อยร้องนักนะเวลามันจะเลิกจะลาไปนั้นร้องเวลามันกำลังตกอยู่นี่ ในย่านมันกําลังตกมันไม่ค่อยร้องแล้ว้าใหม่ผลใหม่หนึ่งแล้วจนฝ้าผลจะหมดหนึ่งร้องสองต้นกับปลายนี้ส่วนในกลางกลางผลกลางปีของหน้าฝนถึงไม่ค่อยร้อง น, นี่ทำไมมันก็สู ม, มก็สูง ม, มีตลอดมันเหมือนกับฝนจะเลิกจะลาไอะไรไปทำนองนั้นกันไปก็แย่แล้วเดี๋ยวนี้กูกําลังดํานิอยู่ก็มี เราไปตั้งอำเภอจุ้มแพไปนะั่นโอยเขากําลังดํานาพวกเรานี่ยว่าดีที่สุดไม่เหมือนที่ไหนเหมือนเลยนะที่เท่าที่ผ่านมานี่ยนี่เป็นข่าวท า, างภาษาทางภาคอีสานก็ได้ข้าวมันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วนี่มันจะตั้งท้องแล้วหน่ะอันนั้นเคาอังกําลังดำํำถ้าไม่มีฝนไปถึงเดือ น, อนที่เดือนที่เอดเดือนตุลาแล้ว ก, ก, ก็น่า ก, กลัวเหมือนกัน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 ป่าเขายังมีอยู่มากเข้าไปแผ่นลึกๆต่อไปพ้าเราก็จะได้ป้าใสายอยู่อย่างนั้นเนี่ยป่าธรรมดาจะไม่มีเหลือแล้วพความหมึงแก่ตัวความหมึ่งแกภพุงความโลภเนี่ยมันทำลายโลกนะใครก็จะกอกจะโกยเอาเนี่ยหนึ่งของความโลภมันไม่ไว้หน้าใคร อยู่ด้วยกันกับทะเลาะกันเพราะความโลภทําลายกันเพราะความโลภมีาการทางเมืองการก็มีมีอยู่มากการก็เข้าไปลึกถึงน่าอยู่นะสบายตรงไหนที่เป็นป่าสมหวนก็พอมีสำคัญที่ทางที่นี่ในโดมใหญ่แสนใหญ่นี่นะกว้างแขนกว้างนี่นะหมดเลยอย่างงๆที่ไม่ทราบสําก็ยังเหลืออยู่เล็กน้อยที่ท่านอุทัยยู่เท่านั้นเองนะ ก็มีอยู่ประมาณสักกีตัวนะมันก็อยู่อาศัยอยู่ข้างบ น, น, นลงข้างล่างมาได้เพราะมันเป็นไร่เ้าหมดเนี่ยเขาปลูกเปลือกปลูกมันปลูกอะไรอะไรหมดเลยมันก็อยู่ข้างบ น, น, นมันลงไม่ได้ก็กว้างพอประมาณแต่มันอยู่นะั้ก็เท่านั้นแ่ะพระก็เลยไปอยู่ทำบูชาครับทำอะไร ทำวัวนะทำอะไรมึงรู้เลยถ้ททาทํโบาณมันทะลึกสลานแล้วก็ยาวนี่ถึงนุ่นถึนข้อมันเกินเหตุเกินผลมันขัดกันกับสภาพเช่นนั้นการไปก่อไปสร้างขึ้นในสถานที่เช่นนั้นมันขัดกันเป็นอย่างวัดดอยธรรมเจดีของ นี่เือกันทั่า น, า น, านแบนด์เหมือนกันผมไปว่าให้เราวันนั้นแต่เมื่ก็ทําเสร็จไปแล้วเนี่ยว่าไงมาทำมาอะไรอย่างนี้มาทําอะไรมาสร้างอะไรอวดที่ธรรมชาติานี้วะว่า ง, างดูเอาบ้างแล้วเยอะไหมงั้นเดี๋ยวจะสร้างอะไรอีกยุ่งที่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติเอ ส ร, ร้ประโยชน์อะไรควาแตกตลาดอาจารย์ไม่เมันจะเกิดขึ้นเพราะการสร้างเนี่ยวัดเส น, นมันเกิดขึ้นกับการสร้างใจนี้ต่างหากขุดลงไปอยู่มันอยากทําอะไรมันดิ้นหาอะไรดูมันดิ้นวัดตรงนั้นตรงนั้นมีแล้วที่ได้ทำอะไรที่ีการก็เพราะ ยิ่หลมันหลายวิธีการที่มันแสดงตัวทำมากก็ต้องหลายวิธีการหลายอุบายไม่งั้นไม่ทันเวลามันมันจุนจ้านเอาบางบางนี่แหมเลยไม่ทราบว่าใจคืออะไรความชิดคืออะไรนะมันเป็นอันเดียวกันหมดเข้ากันหมดเลยนี่เป็นมาพอแล้วนี่แไม่ต้องไปหาอุบายทรมาน การอดข้าละดีสำหรับผมเองนะมันคล้ายๆมันก็นจะคล้ายคลึงกันนะมันพอพอมองเห็นกันยิบยับยิบการอดอาหารนี่ละไม้ถึงขั้นเนี่ยขั้นมันจุนจ่า น, นี่ยขั้นที่เด็ตจุนจานน่านเพ่นพ่านนี่มันจริงๆนะมันเลยไม่ลืมอนะ่ะฟั ง, ฟ ง, นงในหัวใจ นน้ำตาล่วงอนี้ผมเป็นเคียดแค่น่ยมันจนน้ำตาล่วงคือมันกำลังมันมากกว่าเราเรามีแต่สู้เฉยศาสตราวุธไม่ไม่มีไม่พอมันเหมือนกับสู้เสือและกำปั้นนั่นเองเ <c oughs> ออวังไงต้องต้อง ใ, ใช้อุบายวิธีการต่างๆ และส่วนมากก็ไม่ไม่พ้นจากการอดอาหารเพราะอันนี้มันมันพอมองเห็นกันเห็นกันนั่นแ่ะพราะมันเป็นเงื่อนอยู่มันจริ ง, รงต้องได้ทําเลยสุดท้ายก็ท้องเสียจนได้ <c oughs> ทุกวันนี้ไอ้อายยาอะไรคุณพัฒนาพรนะดูเหมือนจะปกตินะ่ะแต่มันไม่ได้ปกตินั่นแหะตอนฉันยาหมอเส็งหรืออะไรีโรคหัวใจควบคุมเร็ง ม, ม, มากเกือบจะเป็นจะไปนะ่ะนั่นได้พัก ยานี้ไว้ก่อนฉันยานั้นไปพอยานั้นหมดอันนี้ก็แสดงคือพอเราจะเริ่มมาฉันยาท้องเนี่ยท้องก็เริ่มแสดงขึ้นมาอ๋อมันไม่หายนีว่ะน่ะมันสงบเฉยจากนั้นมาก็ฉันยานั้นด้อย ม, มาเดี๋ยวนี้มันสงบนะเหมือนก็ไม่มีแนละ้เดี๋ยวนี้นะท้องนี่นะฉันมาหลายปีแล้วยาทัศน า, าพรจะเห็นว่ามันสงบลงสงบลงถึ ง, งขนาดนั้น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 ให้เป็นเัลิงไฟเผาใจเรามันก็เครียดแค้นนะสิมันพอพอมันได้ที่แล้วมันถึงเอากันหนาเพรางั้นมันทันกันเหมือนกันนะมันพอกันเป็นที่พอใจเวลาพะมันทางนี้มีกำลังแล้วก็วาดกันลงแล้วโถมไม่มีไม่มีอ่อนข้อไม่ไม่มีให้อภัยเลยพูดถ้าแต่เราจะเทียบนะจะเอาให้มันแหลกเลย ไม่งั้นผมจะขนาดถึงก้นพองหลือ <g ül> ก็เพราะอันนี้เองเพราะเครียดแค้นนี่เวลาได้ที่แล้วนั่งจะเป็นถามบุ่งหามคั่มแล้วเอาจนก้นพองเลยหมดมาพิจารณาย้อนหลังย้อนหลังไปโอ้โหก้น <g ül> มันกิดสุดที่ใสของมันมันถึงหน้าพองมันถึงจะพองนั่งพิให้เปลี่ยนเลยทําไง นั่งเฉยๆนะมันพองได้อยงมันน้าแป๊บมันคงมันคงร้อนนะมันร้อนแต่แล้วมันก็เป็นไฟหมดทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนเนี่ยเวลาสู้กันเหงื่อนี่มันมันไม่ใช่เหงื่อมันอะไรเขาเรียกอะไรอภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่ายางตายภาษาภาษาอีสานเขาว่ายางตายมันออกไม่ท้านี่เกียดหมด เปียกจริงๆนี่นะไม่ใช่เปียกธรรมดานะเปียกเหมือนเราซักเนี่ยถ้าวันไหนได้ขนาดได้ลงตลอดลุ่งแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งทั้งที่ฝนพรมอยู่ทั้งคืนมันก็สะดวกสบายนะแต่แล้วมันก็ไม่พ้นที่อึงเหือหรื อ, อยางตายมันจะทะลักออกมาเพราะมันสุดมันมันหนักมากขนาดนั้นนะเออ หนักจริงๆนะการฆ่ากิเลสปีนั้นเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเี้คือมันพร้อมกันกับทั้งกายทั้งใจหนักพอๆกันเพราะใจก็พอได้ที่ที่กิเลสมันเหยียบเอามากี่กีเสื่อมแล้วไม่เจริญพอมันเจรินขึ้นมาแล้วฟาดกันใหญ่เลยนั่นันก็พอๆกันทรมานใจทางด้านจิตใจ ร่างกายเอาจนไปทั้งก้นพองอันนี้ทอดต่อจากนั้นไปไม่อกีไม่ก้กาวถึงขั้นปัญญาแล้วที่นี่มันเป็นหนักทางปัญญาทางทางใจนะร่างกายไม่เท่าเท่าไหร่แต่ใจนี่มันหมุนไม่หยุดเลยที่นี่เต้วเต้วเตี้ยวดิวดวดวนุกคนไม่ไม่เคยกยําหนดเวลาเลยมันเป็นทั้งหมเองนะ ก็จะใครไปกําหนดอยู่ไงเหมือนอย่างน้องมวยเข้าวงในกันมันจะไ ป, ไปกําหนดเวล่ำเวลาอะไรองไรกับแยกออกไปจากมันได้นนไงตายนี่งนี่หเหมือนกันมันเข้าวงในอยู่ตลอดเนี่ยไปกําหนดไปร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นยังไงผมต้องทําให้ชิดมันกันนะ มันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกรายไม่นา่าทำให้คิดแต่เรื่องเป็นนั่นเป็นความมากความน้อย น, นั่นผมคิดว่าจะต่างกันคือความหมุนมากน้อยอ่ะดุนแรงไม่ดุนแรงผ่าผลไม่ผ่าผลนี่คิดว่ามันต้องต่างกันแต่เรื่องเป็นนี่เป็นแน่คำว่าภาวนาไม่ปัญญาเพราะเป็นเป็นตระเพะทที่ที่ข้าคิเดเห็นโดยตรงนี่ไม่มีคำว่าอ้อม ปัญญาประเภทนี้กงแน่อตกกิเลสเลยมีเท่าไรเท่าไรเป็นพังด้วยปัญญาประเภทนี้อันนี้เราเชื่อเป็นแต่เพียงว่าความผาาผลโจนทยานนี้อาจจะมีต่างกันสำหลัผมนี่ผมพูจรินแล้วผมมันกินมันมัน ผ, าผ่าผลจริงจริงถึงขนาดที่ว่าอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ฟังสิอยู่ไม่ได้จริงๆต้องหลบหลีกไปอยู่คนเดียว วัด่นี้ทั้งวันทั้งคืนเลยใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เน่ยเหมือนกับมันจะขาดงานเนี่ยก็กําลังต่อยกันอยู่นี่เข้ามายุ่งอะไรกรรมการจะมายุ่งพูดนิ่งง่ายนะก็กําลังต่อยกันอยู่นี่กรรมาการไม่ยุ่งสมัยกรรมาการห้ามมวยนะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นอยู่ไหนไมันอยู่ไม่ได้ในระยะ น, นั้นอยู่ไม่ได้จริงๆต้องได้ลบได้หนีอยู่คนเดียวนะต้องบัน สู้กันอยู่ตลอดนี่น่ะมันแปลกไงกลาคืนก็บางคืนก็ตลอดลุ้งอรเลยมันไม่หลับนอนลงไปนี่งานมันไม่ถอยสู้กวนอยู่นอนมันก็ฟัดกันอยู่เวลานอนปัญญาแบบนี่เลยพันกันในสุดท้ายก็คือมานั่งอีกเออนั่งมันก็ฟัดอยู่นั้นเอาลงเดินยุ่งๆลงกันแล้วมันก็ให้สว่างโล่เอ้เฉย บางวันนะบางคืนแล้วกลางวันมันยังจะไม่นอนอีกนู้นใช่ไมันจะตายนี่นั่นแหละที่ว่ามันเมื่อมันอ่อนเปียกเต็มที่แล้วมาบังคับเข้าให้พักในสมาธิตอนนั้นก็เหมือนว่าสมาธิไม่มีเลยสมาธิไม่ทราบมันหายไปแล้วมีแต่ฟุ้งๆอยู่ทางด้วยปัญญานุ่นแต่มันแต่ที่ว่ามันหายมันมันไม่ได้เป็นเหมือนไม่มีสมาธินะ คำว่าคำว่ามันหายอย่างนี้มันก็ไปฟุ้งอยู่ทางปัญญาท่านถึงว่าอุทจจะอุทจฉาคือมันพุ่งพุ่งพุ่งนี่นอกกับการต่อสู้มันมันคําว่าสมาธินี้ไม่มีเรามันเหมือนว่าไม่มีพูดง่ายๆนะมันมันทุ่มออกนอกหมดเลยเอานั่นก็บับงคับเข้ามาไม่ลืมนะเอาจงกระตั้งเอาได้ได้เอา พุโทโธเป็นคําบริกรรมนะคือบังคับไว้ไม่งั้นมันจะออกต่อสู้งานต่อสู้ค่าศึกพูดง่ายยังไม่เสร็จพักก่อนมันจะตายเลยเนี่ยพูดง่ายวางเงินนะเอามาันแล้วเอาคําบริกรรมอัดเข้าไปให้มันบริกรรมไว้ไม่ลืมนะผมเอาพุโทโธพุโทโธถีบยิบไม่งั้นมันจะออกไม่ใช่ออกไปไหนนะมันจะออกนี่ออกต่อสู้กันนี่ เหมือนกับว่าคู่ต่อสู้มันยืนคอยอยู่นะจอังอยู่นะไม่ก้าจะเทียบนะเอาลงไปหมุดลงไปบงังคับไปแต่บงังคับมันมันมันไม่เหมือนกับจิตไม่มีสมาธิมันฟุง้งมันฟุ้งไปเพราะปัญญาต่างหากทีนี้พอ บ, บังคับเข้ามามเขา้ามาถึงนั้นคลึกมันก็เงียบเลยแน่วไปโอ้ยแน่วเหมือนกับถอดเที่ยมถอดน้ํานะความทุกข์ความลําบากอ่อนแอมเมื่อยล่าทั้งหลายเนี่ย มันมันเหมือนกับเราชุบใหม่ลนะ่ะพราะเขาพักในสมาธิมันสบายมีกําลังบางชากระปี้กระเปล่าขึ้นมาเวลานั้นพอถอนมาถอนไม่ยากแล้วเรื่องถอนก็มันจะถอนอยู่แล้วเนี่ยพอพอเราปล่อยภาพผึ่งเลยเถอะแต่ที่นี่มันมันต่างกันตรงที่ว่าคนคนนี้แหละไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละอปันลงไปที่เท้าเนี่ยขาดจะบั้นไปเลยนะไม่เหมือน แต่ก่อนที่ยังที่ไม่ได้พักตอนนั้นไม่ทราบเอาทางสันลงเอาทางข้างลงเอาทางไหนลงทั้งฟัดกันอยู่นะแต่คราวนี้มันมันเอาคมลงเนี่ยนี่แหละท่านว่าให้พักสมาธิซะก่อนแล้วค่อยออกไปท่านก็อย่างง่ายๆพระพุทเจ้าท่านรับสัง่งไว้ตรงไหนตรงไหนไม่แน่แต่จิตมันเพลินเกินไปจริงๆมันจึไม่มาจดจ่อตรงที่ว่านจนจะตายจริงๆมันถึงได้ย้อนมานี่ก็พูดถึงเรื่องความผาดโผนนี่ม มันจริงๆนะผมนะผลจริงๆ <c oughs> ถึงทําให้คิดถึงเรื่องรายอื่นๆคล้ายๆต่อไปก็ตามไปอืจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เหมือนกันทุกลายไหมนะ <c oughs> แล้วทีนี้สุดท้ากับลงความเห็นแปลว่าไม่เหมือนกันแต่เรื่องแต่เรื่อ ง, อ, งออกทํางานนี้ออกกินไม่สงสัยอันนี้ผมไม่สงสัย เพราะมันแน่ว่าปัญญาประเภทนี้เท่านั้นค่าอยเด็ดแน่เมื่อมันนี้ไม่ออกค่าได้ไงนปัญญาเภทนีอื่นปัญญาที่เด็ดที่เขียบขาดถึงไม่ผลก็เฉี่ยบขาดอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองนั่นคุณง่ายๆดะเพียงว่าจะจะไม่เหมือนกันสำหรับสำหับเรานันเป็นนิสัยผ่าดผล ผลจริงๆนท่านนิสัยท่นพูดพู้ไม่ผาดโผนนี่เท่านั้นก็มีนิสัยเรี้ยงเียงงท่านท่านก็นจะไปเรื่องเยงองท่านแต่แต่ไปแบบปัญญาประเภทนี้นะ่ะคุณถึงท่านมาแสดงความผาด ผ, ผลตัน้นการแสดงปัญญาประเภทนี้คุณยัง่ไงหรือเราจะเทียบก็ได้นะ มีดเรื่นี้เป็นมีดที่คมกล้าพูดง่ายๆถึงท่านไม่ฟันโป๊ะโปกอย่างนี้ก็ตามแต่ท่านก็จะหันปุ๊บปุขาดสะบั้นสะบั้นไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าหันอย่างขาดสะบั้นสะบั้นไปหันอย่างแรงด้วยแล้วมีดนี้คมด้วยขาดสะบั้นไปมันไม่ได้ใช้แต่แบบโป๊ะโป๊แบบฟันไปอันนี้มันแบบขาดฝุ่นเหมือนกับฟันไปฟันเป็นลักษณะนั่น นันปพระแม่กูจแจเป็นแบบมันฟังเถิดทั้งกลางวันกลางคืนปัญญาเปนหมุนตัวกับเหตุการณ์ทั้งหลายตว่าแต่เพิ่นเออิวายฟัง อ, อั่างพระเยรัลดอนงนาแร้ว <c oughs> หรอหากมันเป็นเรื่องปัญญาอันนี้เพิ่นอธิบายนะว่าฟังเถิดทั้งกลางวันกลางคืนวปัญญาประเภทนี้มอย่างจุดฟังได้ปัญญาประเภ ท, ท, น, ญญเทนี้มันมันเป็นเองนี่มัน กับเหตุการณ์ต่างๆนี้มันหมุนรับกันเป๊าะๆอยู่นั่นะนั่นแหละที่ว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางันงคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยท่านว่านั่นที่ท่านกราบเรียนท่านมหาติระฟันเทศทั้งกลางวันงคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนัก็เป็นปัญญาเพลินี่แล้วอื่นมันไม่ทันเคยฟังทั้งวันกลางคืนไม่ทันอันนี้มันทันเวลาท่านเทศก็ ก็บอกคือนี่ลักษณะของท่านเทศนะเข้มข้นมากคือผึ่งผึ่งผึ่งอ่ะนี่ยะบอกบอกว่าปัญญางท่านกับผลไม่น้อยเหมือนกันคือมันมันมนับอกกันในกิริยาท่าทางที่แสดงออกเป็นความผาด ผ, ผลไม่ใช่เล่นเวลาท่านแสดงธรรมที่แรกก็ก็เหมือนกับรถเริ่มออกนันแล้วค่อยเอื่อยเอื่อยเอื่อยเสียงก็บเบาเบาก่อนที่แรก ค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นพอได้จังหวะแล้วทีนี้เหยียบร้อยสาสิบร้อยสิบไปเลยถ้เป็นรถก็ดีนะถึงถึงถึงอะไรนี่ยิ่งทํมาละเอียดเท่าไรยิ่งโหเสียงนี่โดยผมว่าได้ยินทีเดียวล่ะที่ประตูวัดนอกจากจะไม่ได้ทอดได้ความเพราะแต่เสียงนี่ต้องได้ยินชัดเจนเพราะหมุนติ่ยนเสียงท่านกังวานด้วยนะต้องต้องเอ้าคือมันไม่ถึงใจท่านพระสา เราเราเราเรียกว่ามันโมโหไม่ถึงใจเนะนี่เห็นนี่ตาบอดด้วยอยกว่างันก็ฟังท่านว่าท่านเพลงอะไรผมยังไม่เห็นลืมแพราเพลงคงไม่ลืมตอนนั้นเพลงเป็นเน้นเพลงวัดทรรเพลงเทศอย่างเต็มเหนี่ยวจบลงมาแล้วเป็นยังไงอะเพลงเข้าใจไหมล่ะที่เทเนี้ท่านนั่นก็นี่ท่านพูดอย่างนี้แหละคือขังนี่แหละพอจบพอเทจบมาแล้วเป็นยังไงเพลงเน้นเพลงเข้าใจไหมล่ะที่เทเนี้ว่างัน ทั้ น, น, น, นั่งก็บนิ่งสินธรรมดาแล้วน้องแนบอกใครเก่าจะไปตอกมานลด่อยบุบบ้าเว้ยมันจะเขาจะถือสันผ้ามันทางันยังเท่นี้ยังไ่เข้าใจยุ่งก็เวลาไปฐานก็เอามื้อยี่ข้าไปในถวาน้๊อแล้วมาดมดูสิเนาะมันเป็นยังไงเนะนั่นท่านเอาถึงฐานได้ดีนั่นมันเป็นยังไงมันยังไม่เห็นอยู่หลวมันยังยังจะบอกเห็อยุเหลอขนาดนั้นเอาล่างตรงนี้ ด, ดัดเอา โอ้ไม่ผมไม่ลืมี่นี่แต่กูดถึงนึงอริภาพทางกฏเทศพราแห้งเจออะไรไ็เห็นนั่นนั่นนาทันในวงอริยภาพวงฟ้องพันธิกุล น, น, นันนึงบอกให้เอาอันเวลาไปฐานเ่าเมือ่อยี้เขาไปสี่เอา ม, าดมดัดดมเลยที่ไม่ลืมนี่ผมก็ไดเอาถึงฐานเท่านั้น คือว่าย้อนลงมาห้ยจายนมันมันก็เอื้อม่ถึงเอื้อม่ถึงย้อนลงมา่เอื้อม่ถึงจนว่างกึก่ไปคุยยังไงว่างนี่และวมหมายว่าอ้าว่างเลยลงถึงบอกว่าลงถึงถามคุยยังไงนะอืมมาดมที่พูดนะนี่เหมือนว่าวางลงถึงผื่นกึกลยย้อนลงย้อนลงเนียังเอื้อมไม่ถึงย้อนลงดงเอื้อมไ่ถึงเทศขนาดไหนมันยังม่ถึงใจจิเร็พูดยังาเนล่องกึกนี่ลักษณะของน เป็นลักษณะที่ผ่าผลไม่สงสัยผมปัญญาของท่านจะผ่าผลรวดเร็วมากทีเดียวฟังท่านเทศนี่โอ้คิดดูทีกระถนนี้วางนี่แต่ท่านเทพมือท่านท่านเป็นตามนิสงท่านนะเวลาท่านเอาจริงๆนี่เหมือนวมืองท่านผมก็หมุนไปด้วยนะท่านมาอยู่เฉยมือท่านผมเลยเรืกระโถนนี้วางอยู่ข้างหน้าท่านนะมันตอนนี้มันโดนเสียดเดืมือโดนกระถนนี่ติ้งตกไปนู่นคือมันเป็นพักหนึ่ง ท่านอยู่พางบนนี่แล้วพวกพระทั้งหลายฟังอยู่พักข้างล่างมือท่านโดนไปอย่างแรงเนี่ยปังอันนี้มันก็ติ่งตกแปะลงไปหนุ้ยท่านก็เยหยุดพระก็เก็บกระถนึ้นมากะถนท่านนะนะว่างเขาถึงกระถ น, นะนตกเถอะ น, นะเป็นว่าเป็นยไงกิเลสตกบ้าไหมแหน่ท่านแก้ปั๊บพุ่น ม, มาอยนี้เป็นยังไงกิเลสตกบ้มงไห นี่ท่านมันคืออะไรมันก็ไม่ไม่ถึงใจท่านก็ท่านรู้จริงๆรู้เต็มหัวใจนี่ท่านพูดออกมาด้วยกําลังเมตตาจริงๆเต็มหัวใจอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมชาติขอท่านที่รู้ที่เห็นหน่ะเอาออกมาสแสดงนา น, น, นๆจนถึงขึ้นทั้งมือทั้งอะไรทั้งไม้ทั้งมือฟังเสียงนั้นก็โอ้ยเป็นฟืนเป็นไฟเเสียงท่าน่ะความอันนี้ก็คือว่าอยากให้รู้อยากให้เห็นมันเป็นพลังของธรรมออกมาอย่างติหมุนติว๋วติ๋วพลังของธรรม โดนมือจะโดนผลปิ่งตก น, นเนี่ยแสดงถึงเรื่องความผาาผลน้องปัญญาเป็นของนิสัยท่านจะผ่าผลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะผาดผลมากทีเดียวการแสดงธรรมขั้นฉลาดแหลมผมเล่นเมลยัยนั่นอันหนึ่งบอกให้เห็นอยู่แล้วเป็นมาจากนิสัยอันนั้นออ มันบอกอยู่ในตัวนั่นแหละบอกออกมาเห็นว่าท่านไม่บอกก็าตามแต่มันก็การแสดงมาเนี้ยมันเป็นการบอกในตัวในตัวท่าไปท่านไปอย่างเงี้ยของท่านนะอ่าไปเราได้เห็นถนัดชัดเจนเพราะตาไม่เหมือนกับตาไม่กับพริบนี่เวาลาสุดท้ายที่ท่านจะจากไปสาคัญที่ไอ้ลมหายใจเนี่ยค่อยนั่น จางลงจ้างลงจ้างล ง, ง, ลงแผ่วเบาแล้วหายเงียบไปเลยนี่มันอัศจรรย์นะธรรมธรรมดาของคนทั้งหลายที่เวลาสุดท้ายที่ระหว่างจิตเขาขันจะจะแยกกันนี่มันจะกกัดกิริยาของร่างกายจะมีแสดงอะไรให้เห็นนิดนิดเช่นสะดุ้งบังหรืออะไรให้เห็นนะของท่านไม่มีเลยนานผิดสังเกตแล้วก็ท่านยกคุณท่านเลยนี่ไม่ใช่ท่าน สิ้นแล้วหรือวาเพราะว่างั้นก็นาฬิกามาดูเท่านั้นเองเราถึงได้ว่าเวลาเท่านั้นตามที่เอามาดูเฉยไม่ได้รู้เวลาท่านท่านสิ้นจริงๆนะว่าสิ้ขนขณะใดนะความละเอียดขงท่านเป็นอย่างนั้นหอเหมือนฟ้าดินตลบนะผมตอนท่านมราภาพจากไปนะไม่เหมือนฟ้าเพราะจิตผมอยู่กับท่านอย่างเดียวเท่านั้นไม่มันเหมือนอันหนึง่งเป็นอะไรพูดไม่ถูกนะเวลานั้นเ ก, ก็เรากําลังเข้าได้เข้าเข็ม จิตขงเรามันทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดยั้ยงเลยหนูีเตี้ยอเตีต้ยอยู่ได้มั้งก็จิตก็มีอยู่กับท่านเท่านั้นเลยให้ใครมาพูดถามธรรมะกับใครนี่ใครจะมาตอบผิดนึงนิดนึงไม่ได้นีมันเหมือนกับว่าช่างกระจําควานันเท่านั้นอืมถ้าสอนไม่ถูกแล้วนอกจากไม่ได้ผลประโยชน์แล้วยังมันยังจะดูถูกผู้มาสอน อ, อีกความรู้ขนาดนี้ยังมาสอนเราได้มันจะไปงั้นนะคือมันมันลงช่องนั่นจริงๆทําทําทําให้ลูกจริงจะ จะสอนไม่ถูกนี่ธรรมะประจําเดียวเดี๋ยวช่างประจําความไปนั้นคือธรรมะนี่ละเอยียดเท่าไรมันยิ่งลงจุดเฉพาะเฉพาะเหมือนกับโดยบินนี่มาจากนันกมาเทจะ mm. เวลาจะลงสนามแล้วหัวต้องจ่อให้คงแนวกับนั่นเลยพลาดไม่ได้นี่สําสคัญจ่อลงโดยบินให้จ่อลงหัวสนามให้คงแนวกับสายทางการบิน สนามเลยผิดนิดนึงมาได้พังเลยเสร็จนี่ก็เหมือนกันยิดนเวลามเข้าถึงเข้าขั้นละเอียดเข้าได้เขาเข็มแล้วมันมันจะเป็นจุดอย่างนี้สอนมาสอนผิดนิดหนึ่งมาได้มันสอให้เห็นภูมิของผู้มาสอนนี่ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นคือต้องเป็นผู้ผ่านไปแล้วเท่านั้นจะมาสอนได้ในนี่ว่า ง, งั้นเลยถ้าถ้าไม่ผ่านไปแล้วจะสอนไม่ถูกเพราะธรรมชาตินนี้จะไปหาที่ไหนไม่เจอ แต่จะเจอในผู้ปฏิบัติที่รู้ไปแล้วรู้ไปแล้วเท่านั้นมาบอกมาสอนนี่สําคัญอย่างนี้จะว่างไงอีกละ่ะตําราท่านเขียนได้ไหมอย่างนี้นี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่เป็นในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติซึ่งผ่านทำมาประเภทนี้ไปแล้วนี่สําคัญะเราจินเราอยู่กับท่านอย่างอย่างไนหมุนไปไหนมันก็ไม่รับใครเลยมันไม่ใช่เป็นไงนะจิต อยู่ก uh, erm> ับท you know> like so <the ่านหมดเพราะเพราะอย่างไรเพราะเราเคยนี่เพราะมันเป็นอะไรขึ้นมาไปกราบเรียนท่านเล่าถวายท่านท่านใส่เปี๊ยงเรือเท่านั้นล่ะพังเลยพังเลยนั่นเพราะท่านรู้ขอนแล้วรู้ก่อนนั้นเป็นมันเป็นมันเป็นแบบที่ว่าจ่อลงหัวสนามเลยจ่อลงสนามอืมท่าไม่ได้แล้วท่านสอนเราเหมือนกับห้อมัคับอากาศอย่างใส่พุ่งลงไปให้กงนี่นะนั่นพูด้ใงไ่ว่ากั้นมันก็ลงผึงเลยเดืบินอันนี้เหมือนกัน เพราะเรื่องราวมันเป็นงไงพอกราบเยี่ยนท่านเท่านั้นแนหะพอเล่าถวายท่างนี้กราบเยี่ยนท่านนั้นท่ทททานใส่มาพัางเดียดท่านนไม่ได้มากอะไรเลยนะทางนี้ขาดจะบ้านไปแล้วนะ่ะนั่นคือยอมรับแล้วเห็นทางเดินเหมือนว่าเปิดกว้าองออกมาเนี่ยนั่นะนี่แหละผู้ที่รู้แล้ ว, ดดลวมาสอนน้ำมันต่างกันอย่างนี้หนาเนี้ยท่านกับพูดเสมอเวลาบรรลุโบสด พ่อพระที่มาจากที่ต่างๆอยู่ตามแถวๆรอบๆสองกิโลสามสามกิโลสี่กิโลห้า ก, กิโลหกิโลมาทั้งนั้นแหละึงแม้แต่ผมอ ย, อยู่ไปอยู่ทางบ้านคุณหลงคุณหายนี่นอยู่ต่างบ้านนี้ก็ทางบ้านนุ่นไม่ได้มาตั้งแต่อยู่บ้านค้อนะ่ะมันไกลหน่อยพออยู่บนเขาหนุนแล้วอย่างคุณไหายเหล่านี้มา้ามนโสดนี่ถือมากพี่พระตั้งหกสิบกว่าน่ะ ท่านเคยพูดเสมอผมไม่ได้ลืมนะใครจะเร่งให้เร่งนะการแก้กจิตใจนี้เป็นของแก้ยากนะท่านว่างถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้นะนั่นฟังซินี่เวลานี้พิสูเาตุท่านบอกพี่สูธาท่านเป็นพูดติดปากท่านหรือพูดถอมตัวะไรก็แล้วแต่เถอะบอกว่านี่พิสูเา่ากําลังอยู่เอาไปเป็นมายัางไงออาเราจะแก้นะท่านว่างเนี่ยเราตายแล้วนี่มันยากพูดจะแก้นะเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่อายุท้านมานับนี่ให้ดูนี่เวลานี้เท่านั้นแล้วถ้ากันนับไปเงี่ย นับไปนับไปถึงแปดสิบนี่ไม่เลยแปดสิบนะอย่าไว้ไม่บอกโอ้ขนาดนั้นนะแน่ไหมท่านจะมั่นใครก็เห็นกันทั้งวงสังฆมณฑลนั่นเห็นกันอยู่หมดนี่ท่านนับข้อมือนี่เวลานี้เท่านั้นนะอายุะท่านท่านผูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้พระ้งหลา์ไม่นอนใจอืไม่นานนะท่านก็นับเวลานี้อายุเท่านั้นแล้วก็จากนั้นท่านก็นับต่อไปต่อไปต่อไ ป, อไปพอถึงแปดสิบปึกนี่ท่านนี่มันมากไหมดูสิ นี่ไม่เลยนะวะนั่นตั้งทีพอถึงนั้นปั๊บท่านป่วยปีนั้นน่ะนี่มันเหมือนกับว่ามันมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยกันทีนีนั้นผมไปอยู่ทั้งอํเาเภอวดัดรีเจภูมิผมไปอยู่คนเดียวผมไม่นด้ดีนา น, นเขาได้กล่าวเลียงท่านเวลาจะไปก็คราวนี้จะไม่ได้มาลงโโบูช ร, ร่วมแล้วเพราะเพราะกาว่าจะไปไกลหน่อยไปทางไหนท่า น, นบอกนึ่นที่ว่าจะไปทางอํเาเภอวัดริจภูมิเออไป ที่ไหนสะดวกสบายเอาเลยนะเห็นว่าอย่างนั้นเหมือนทผู้กับผมเอาเลยนะเห็นว่าเ <laughs> พราะท่านรู้นนิสัยรุ่น น, น, นิสัยมันเหมือนบ้ารเราแต่ว่าเอาเอากินนี่ว่ากัดกัดกินนี่ท่านก็รูนนิสัยอยู่แล้วแล้วน้อย น, นั้นท่านก็ขู่พระเนี่ยใครจะไปยุ่งท่านนะทําหายไปแต่งเดียวนะใครจะไปยุ่งก็มีร่มโพลมใสใหญ่อยู่นั้นแล้วนี็นไหมท่านท่านสั่งอีกด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะท่าหายไปตองเดียวเท่านนะั้นน่ว้า ที่นี่เราก็นานกว่าจะได้มาหาท่านนะอันนี้ก็มูเพื่อน่ะเราผมฟังแต่เป็นความแน่ร้อยเปเซนตไม่สงสัยทั้งๆั้งติก่อนคือผมไปนะไปก่อนมาข้าบูชานะ่ยคือว่ามาข้าบูชาคราวนี้จะไม่ได้มาร่วมผมก็กับเดือนอย่างนั้นเนะ่ะเพราะไปมันก็มไม่ลืมข้ามเดืนก็คือวเดือนสามขึ้นสามค่ำนี่ผมออกไปแล้วเดือนสามเพนก็เป็นมาข้าบูชาก็ กาเดือนท่านว่าจําไม่ได้มามาข้าบูชาด้วยไม่ได้มาร่วมด้วยไปคราวนี่จะไปไกลหน่อยนะเออไปเอาเลยนะทีนี้นก็เดืกยเอาเลยเทีนี้พอถึงวันมาข้าบูชานั้นมแปลกอยู่นะพระนั้นเล่าองค์ไหนเล่าเล่าแบบเดียวกันทีจะไม่จริงยังได้ยังไงพอประมาณสักบ่ายโมงกว่าท่านก็ลุกออกมาจากสติแล้วพระท่าหามาแล้วยังะ นี่มีแปลกอยู่ตรงนี้นะนี่ไม่เห็นนะ่ะเฮ้ยไหนนะวะแล้วพอตกบายบายวะอีกทําไมยังไม่มาเลอ ว, วะจ้มาตั้งค่ำถึงเวลาที่จะเทศนะท่านจะเทศวันนั้นท่านเทศใหญ่นะผมก็ไม่ลืมเลยพระเล่าให้ฟังใหม่เทศสี่ชั่วโมงว่างั้นนะท่ทานค่อยจก่อนท่านก็ไม่ไเทศถึงกรานนั้นสองชั่วโมงกันอยู่แต่วันนั้นเทศถึงสี่ชั่วโมงวันมาข้าบูชา ถึงเวลาที่จะมาขคารวชาติท่านยังพูดอีกนี่ทนายายังไม่มาเล ย, เลยนี่ยังไงกันหนายังไงกันหนาะเหมือนกน็ตาท่านมองเนี่ยก็หมายความว่าท่านจะเทศเหมือนฟ้าดินถล่มนั่นแหละอยากให้เราได้ยินใน้ฟังความหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่หมายอย่างอื่นนะแต่ท่านมีอะไรูใจของท่านเลยนี่เทศกเต็นเนี่ยและพอเทศจบแล้วลงแล้ ว, ลลวเทศซ้ําเท่าต่อไปนี้จะไม่ได้เทศอีก นี่คือเหมือนกันกับท่านพูดอยู่ที่เชียงใหม่นะท่านเทศอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยผมนั่งอยู่นั่นเนี่ยอฟังท่านนี่จดจ่อจนทุกกระเบียดเลยผมเคพื่อนข้าเมื่อไหร่พอผมรวมสายท่านขนาดนั้ น, นเวลาลงมานัเทศท่านเทศสามชั่วโมงนะพอลงมาแล้วท่านมากราบพระพอกราบพระเสร็นแล้วก็เนี่ยสมเด็จมหาวิรจนวัดพระศรีมาทเธเนี่ยแต่ก่อนตอนนั้นท่านเป็นราชกวีอยู่ พ่อวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะแตงหว่างนี่นะวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะหวังเออเทศซ้ําเท่าแล้วันหว่างต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกนี่ผมก็ไม่ดื่มในเวลาท่านมาแล้วท่านไม่ได้เคยไปจึงกลับคืนไปจังหว่อีกนี่นะไมไ่เทศอีกในคราวนี้ก็ท้าเล่าให้ฟังอีกแหละผมไม่ได้ยินอันนี้นี่เทศซ้ําเท่ารู้ว่างี่อต่อไปจะไม่ได้เทศอีกและตั้งแต่บัด น, นั้นท่านไม่เคยเทศอีกเลยนีนะ่ฟังซิวิสาขบูชาท่านก็ไม่ลงมา งันแล้วที่นี่เวลามันกินมันเข้ากันได้เข้าตรงไหนกับท่านว่าแปดสิบนะพอผมมาถึงมันนั้นเดือนเดือนสี่ผมจำได้แต่ครั้งขึ้นของแรมเดือนสี่แลมค่ำหนึ่งผมมาท่านบอกว่าท่านหาไปทาอะไรอยู่นี่วะท่านเป็นลักษณะคุู้นี่ผมเริ่มป่ว ย, อยนั้น เริ่มป่วยมาตั้งแต่วันศืนนี้ทันว่าวันศืนก็คือวันขึ้นที่สี่ค่ำหรูอวันเป็นวันเพ็ญหลังจากนั้นท่านก็ไขความมาอีกว่าวันขึ้นที่สี่ค่ำทันว่านันก็ยิ่งแน่ลงไปนั่นก็ยิ่งแน่ลงไปพอจากนั้นแล้วท่านก็พูดดีเลยว่าโรคอันนี้ไม่มียาอะไรหายใายหายละนี่นี่ละเป็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายผมคือโรคอันนี้เองนั่นนะฟังซิเข้ากันได้ไหมตอนที่ว่าแปดิบนั่นละท่านย่างเข้าแปดสิบ ท่านบอกว่ามีทางหายไหมโรคคนี้จะเป็นไปเรื่อยๆแต่ไม่ตายง่ายนะโรคคนนีนะ้เขาเรียก ว, ว่าโรกคนแตะนะถ้าจะเอาอะไรมายุ่งนะไม่มีทางหายแล้วมีตาอย่างเดียวเท่านั้น น, ะนั่นแล้วก็เป็นไปเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจริงๆด้วยโรคคนนี้ไม่ผิดนี่นีเรื่องสำคัญอยู่มา ก, มากไม่เทิดเลยนะผมไม่เคยได้ยินมันเจ็ แต่การแก้ปัญหานั้นท่านแก้แก้ให้เพราะผมก็มีท่านองค์เดียว น, นั่นน่นแต่เวลาผมจะกราบเรียนปัญหานี้ผไม่มีใครนะผมต้องขึ้นไปนคนเดียวผมแต่ท่านก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่นะขึ้นเวลาไหนขึ้นได้ผมขึ้นหาท่านมันแปลกอยู่อันนี้ค่ะรู้สึกว่าท่านเมตต า, ามากทีเดียวพอขึ้นไปก็กราบเรียนเลยเพราะท่านก็รู้นี่ว่าเราขึ้นไปเพื่ออะไรท่านรู้แล้วนะหวัวใจเรามันเต็ ม, มด้วยอะไรอืมขอภาวนาตลอดนี่ มันแสดงขึ้นมาเรื่อยนี่เมื่อมีครูบาจารย์แล้วนะเราจะไปแก้ไปปลดด้วยลาพังเราเองให้มันเสียไมลได้เวลาทําไมพอเป็นเล่าถวายท่านทอนนั้นแท่งใส่เปีย๊ยงเดียวพุ่งขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเห็นไหมมันเร็วอย่างนั้นนะ่ะอืมกับครูบาจารย์ผู้คอยแนะนําให้ที่ท่านผ่านมาแล้วไปแล้วนี่นะมันเร็วอย่างนั้นอ่ะพอเราขึ้นไปกาบปุบป๊บๆท่านอยู่องค์เดียวท่านนะ่ะก็ขึ้นไปไม่มีใครขึ้นผมขึ้นไปปุปป๊บๆเลยส่วนหน้าไม่มีใครกล้าขึ้นนะ นั่นแหผมขึ้นเลยพรประกาศเรียนว่าท่านใ่เปี้ยงพังเลยนี่เวลาแก้ปัญหาท่านแก้แต่ท่านให้เทพสอนพระเจ้าเนนอีกนั้นท่านไม่เอาเลยนะประชงประชุมอะไรนี่ท่านไม่เอาเลยนั่นทั้งนั่นแล้วเห็นไหมละ่ะผิดไหมที่ท่านว่าเทพซ้ําเท่าจะไม่ได้เทพอีกนตั้งแต่มานั้นมาแล้วท่านไม่เอาเลยถามพระทรรเนนว่าเป็นยังไงตอนผมมาอยู่โนะอ้ท่านไม่เทพเลยแล้วก็อยู่กับท่านไปตลอด ธ่ามาณภาพท่านเทปที่ตรงไหนมันก็รู้หมดนี่นั้นท่านพูดตรงไหนมันเพื่อนเมื่อไหร่ป่ะนี่เราจับไว้จับไว้ทุกอย่างแล้วเรื่องพ่อแม่ารยัมันนี่ไม่แม่มันเหมือนกันกับเทปนะมันไม่ใช่ความจํามันเป็นความจินมันฝังลึกมากไม่ไม่มีวันลืมมันไม่หายยิงยาอะไรมาใส่มันลาคัญยาหมานาะมันไหลมันไม่หายนี่กะที่ว่า ต้นกับปลานกงกันที่ท่านนับข้อมือนี่นี่เวลานี้อายุได้เท่านั้นนั่นแล้วท่านนับไปอย่างนี้พอไปถึงแปดสิบนี่เท่านั้นมันมันจะนานอะไรนี่ก็คือว่าท่านท่านเคยพูดนี่นะที่พูดว่าอายุท่าน่าไม่เลยแปดสิบท่านบอกแล้วท่านบอกไว้เลยนี่เวลาท่านเจ็ดย่ำท่านก็ย่ำอย่างนั้นแหละนั่นอ่ะมันนานที่ไหนแล้วใครจะตั้งใจให้ตั้งใจนะเวลาที่สุดเท่าตายแล้วมันมี หาผูแก้ยากนะนี่เวลานี้เราก็ยังมีชีวิตยอยู่นี่เอาเราจะแก้ท่นวางนี่คุณพูดเพื่กันปลูกพระไม่นอนใจ น, นั่นเองพูดถึงเรื่องอัดเรื่องธรรมสมาธิปัญญาเนะี่ยโอ้โหไหลไปเลยนะท่านคล่องที่สุดเลยขึงขังตึงๆกันเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่ไม่ทราบยังไงมันต้องเป็นขึ้นมาคึกคักเลยเหรเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลย มันถึงใจท่านนี่แหละอํ า, านาจของธรรมพลังของธรรมขึ้นอย่างนี้แต่คนภายนอกมันหูหนวกตาบอดเขาไม่ได้เคยรู้นี่ว่าพลังของธรรมเป็นไงพลั ง, งกิเลสเป็นไงเคยเห็นแต่กิเี้เหลียบหัวคนพอแสดงท่าทางมาอะไรที่เป็นความไม่พอใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ท่านแสดงมาอย่างนั้นเป็นเรื่องของธรรมนี่เพราะทําให้มีเครื่องมือเป็นของตัวนี่นะร่างกายเรานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่กิเลสพาให้เกิดใช่ไหมล่ะ ทำเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีเครื่องมืออันบริสุทธิ์มาใช้สําหรับทําประเภทนั้นจึงต้องอาศัยร่างกายนี้ใช้เมื่อพลังของธรรมแสดงมาอะไรก็ต้องเอาก็สอถึงเรื่องกิาการของร่างกายนี้ที่นี้เขาก็ว่าทันดุออืทันดุทันโกรธยเลยไปเสียนนั่นเห็นไหมมันไม่เคยเห็นเรื่องพลังของธรรมเป็นยงไงเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสอนานาจของกิเลสอำนาจของธรรมเป็นยไงไม่เคยเห็นเมื่อมัน ตั้หัวใจแล้วมันก็รู้เองใครพอดีไม่บอกมันก็รู้นี่เอาล่ะเลิกกันละนะเอาเก็บอันนี้ออกไปพอละ